ชีวิตนี้มันยุ่งเหยิงสับสนสัพพัฒ์มันจึงจึงเคยเรียกกันว่าคนมันละคนปนเปนกันอยู่มดอะไรต่ออะไรก็ดี มันก็มาลงที่คนนี่นะนั่นก็เพราะเหตุนี้ผู <c oughs> ้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสร้างบารมีเพื่อให้มันพ้นจากคนพ้นจากคนก็เป็นเทวดา พ้นจากเทวดาก็เป็นพระริยเจ้า <c oughs> เป็นพระริยเจ้าถึงขั้นอรหัตตะผลนีล่ก็พ้นจากคนแบบ น, นี้นะพ้นจากควา ม, มยุ่งเหยิง ความวุ่นวายต่างๆมันสมควรจะตื่นตัวกันได้แล้วเพราะว่าความยุ่งมันเป็นครูสอนเป็นครูสำหรับตักเตือนอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่นั้นก็ยังไม่ตื่นตัวกัน เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมันก็นมาลงที่คนนี้ทำไมมันจึงลงที่คนนะ <c oughs> ก็เพราะคนนี้มันมีธรรมชาติรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไอ้นอกจากคนออกไปแล้วมันมันไม่มีธรรมชาติที่จะรับรู้ <c oughs> แม้แต่สัตว์สิ่งดิรรฉานมันก็ไม่สนมันก็ไปตามเรื่องของมันคนจะเอาไปฆ่าไปแกงยังไงก็มันก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันก็พูดไม่ได้ ไอ้คนเนี่ยมันยอมแสดงกิริยาอาการอะไรต่ออะไรออกมาให้ปรากฏในโลกนี้เรามีครูสอนอยู่ประจำตัวเลยนะนี่มันควรจะรู้ตัวกัน ครูที่สอนเราอยู่ทุกวันก็คือความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆโมนี้แหะคลีคล้ายกับว่าความทุกข์ตัางๆเห ล, าล่านี้มันเตือนดวงจีดดวงเนี้ยให้เบื่อให้หนายให้รู้ตัวว่า โลกสันนิวัตอันนี้เต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆ <c oughs> สารพัดไม่ควรที่จะมานิ่งนอนใจ <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงตรัสถามลูกศิษย์ของพรหมามพระวาลีเออนี่ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสถามหรอกลูกศิษย์ของพราหมณ์ภวาลีทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกแลเป็นภัยใหญ่ของโลกอันข้อนี้ก็นับว่าเป็นความจริงเลยจะไม่มีใครปฏิเสธได้ อันีก็มีผู้หนึ่งทูลถามพระองค์ว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้ให้ติดอยู่พระองค์เจ้าก็ทรงตรัสว่าตันหาแลเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้ให้ติดอยู่ คำว่าโลกอันนี้หมายเอาหมู่มนุษย์นี่เองแหละหรือหมายเอาสัตว์ทุกประเภทที่ยังค้องอยู่ในโลกนี่แหละแม้แต่สัตว์สิงห์เดรัจฉานมันก็มีตันหาไม่ใช่น้อยดิ้นลนไปเพลินไ ป, ไปตามความอยากของมันเบียดเบียนกันก็เพราะความอยากนี่แหละ อย่าว่าแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังถูกตัณหามันชาบทาเอาให้ติดอยู่ในโลกอันนี้เอาเถอะอันสําหรับสัตว์เดรัจฉานยกไว้เพราะมันไม่มีฟัญญาแต่ส่วนมนุษย์เรานี้ยสิก็มีชื่ออยู่ในตัวแล้วว่ามนุษย์โศ แปลว่าผู้มีใจอันสูงแล้วชื่อนี่มันกระบงบอกถึงคุณสมบัติแล้วแล้วทำไมอ่ะจึงใจจึงไม่สูงเหมือนกับชื่อนี่แหละควรพากันคิดกันตรองให้ดีใจที่ตกเป็นทาสของตัรหานั้น ไม่ใช่เป็นคนใจสูงเป็นคนใจต่ำเพราะตัณหานั่นมันมีแต่มันจูงลงไปทางต่ำมันไม่ได้จูงให้สูงขึ้นไปธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลต่างหากที่มันจูงใจของคนให้สูงขึ้นไปโดยลำดับอืม <c oughs> เช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นเมตตาอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลใดมาเจริญให้ ม, มากๆเข้าไปแล้วมันก็รู้จักให้มันรู้จักให้อภัยแกบุคคลและสัตว์ทั้งหลายที่มาแสดงตนเป็นศัตรู เจอที่มาล่วงเกินตนอย่างใดอย่างหนึ่งตนก็อาภัยให้ไม่โกรธตอบไม่เบียดเบียนตอบนี่แสดงว่าเป็นผู้มีใจอันสูงเป็นผู้ไม่ต้องการเวรภัยต่างๆก็จึงอาภัยให้บุคคลผู้มาล่วงเกินตน นี่ถ้าผู้ใดประพฤติอย่างนี้ได้ก็สมกับชื่อที่ว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยเมตตาธรรม <c oughs> อย่างนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันยกกิจใจของชนให้สูง ขึ้นไว้ด้วยคุณธรรมต่างๆมีเมตตาเป็นต้นมีแต่เมตตาอย่างเดียวก็ไม่พอ <c oughs> มันต้องมีกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยกรุณาความสงสารเมื่อเห็นคนเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไร ก็ไม่แข่งซ้้าคิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาเหล่านั้นพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นไปเท่าที่สามารถจะช่วยได้เห็นคนอื่นเขาได้ดีดดก็ไม่คิดอิจฉาริษยสถ้าไม่พูดออกมาทางวาจาก็นึกอนุมโมทนาอยู่ในใจ แสดงความพอยินดีอยู่ในใจกับบุคคลผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญถ้าเป็นการเวลาควรจะเปล่งวาจาออกมาแสดงความยินดีก่อแสดงความยินดีด้วย <c oughs> แต่ถ้าหากว่า ไปเห็นเพื่อนถึงความวิบัติจนไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เช่นนี้ก็วางใจให้เป็นอุเบกขาลงไปอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับบุคคลพูดถึงความวิบัติถึงสุดขีดแล้วไม่สามารถจะช่วยได้แล้วแม้จะเป็นญาติวงศงสาก็ตาม ก็ต้องนึกถึงกรรมของเขาเขาเป็นไปตามกรรมเขาทำกรรมอย่างใดมาเขาก็ต้องส่วยผลแห่งกรรมอ น, นั้นไปอย่างนั้นเมื่อเห็นแจ้งในกรรมของเขาอย่างว่านี่แล้วมันก็วางอุเบกขาลงได้นะหมายความว่าสิ่งใดที่มันเหลือวิสัยแล้วก็ไม่ต้องไปมัว เมาเสียใจเศร้าโศกครับแค้นใจไปต่างๆหมู่นั้นก็ถึงเสียใจไปอย่างไรผู้ที่ถึงความมีบัตินั้นมันก็ไม่กลับคืนมาได้แถมยังตนเองก็ยังเสื่อมจากความสุขจิตใจยังเศร้าหมองไปอีกซ้ำ อันความโศกความเศร้าความเสียใจต่างๆวันนี้มันก็ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวความรักความใคร่ก็เหมือนกันก็ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวเหมือนกันแต่ว่าความรักอันประกอบไปด้วยเมตตานั้นอันนั้นมันไม่เชื่ออยู่ด้วยกิเลส มันก็ทำใจผ่องใสได้เหมือนกันแหละแต่ความรักที่ทำใจให้เศร้าหมองนี่หมายถึงความรักอันประกอบไปด้วยราคะตัณหาความพอใจในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้ เป็นความรักที่แฝงอยู่ด้วยกิเลสไม่ได้แฝงอยู่ด้วยธรรมะนี่ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวได้แต่ถ้าว่าบุคคลยังไม่สามารถที่จะละให้มันขาดไปได้หรือว่า ไม่สามารถที่จะบรรเทาให้มันเบาบางลงไปได้อย่างนี้ก็ให้มันอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมความรักอันนั้นนะอย่าให้มันเลยศีลเลยทมไปมันก็ไม่ให้โทษอย่างรุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงนักบวชแล้ว นับว่าเป็นโทษแม้น้อยหนึ่งกับเป็นโทษสำหรับนักปวดแล้วต้องระวังให้ดี <c oughs> อันนี้อ่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ว่ามันทำให้จิตนี้ยุ่งเหยิงมาก อันการเกิดมาอยู่ในโลกอันนี้นะมันหอบเอากิเลสเหล่านี้ติดตัวมาด้วยเมื่อไม่เพียรละมันนะมันก็ก่อความยุ่งขึ้นในใจเมื่อใจยุ่งแล้ววันนี้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นให้ยุ่งไปหมดเลยนี่แหละ นามว่าคนนะมันจึงว่ามันปนเปนกันอยู่ในใจนี่หมดมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปนเปนกันไปหมดบัดนี้บุคคลใดเป็นผู้มีศรัทธามาสดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว รู้แนวทางปฏิบัติสำหรับแยกแยะในระหว่างดีกับชั่วออกจากกันได้แล้วอย่างนี้ก็ต้องพยายามเลยพยายามปฏิบัติไปแยกแยะความชั่วออกไปจากความดีเพราะความชั่วนั้นทุกคนคงไม่ปรารถนาสำหรับคนผู้ดีทั้งหลายนะยนี่นะ เมื่อไม่ภาถนาแล้วก็จะไปเก็บมันไว้ทำไมนนก็ภาวนาเข้าไปน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตให้สงบอยู่ภายในแล้วมันก็มองเห็นได้ว่าอันนี้เป็นกิเลสความชั่วอันนี้เป็นคุณธรรมคือความดีมันก็สามารถแยกแยะ ออกจากกันไดเออ้เมื่อมันรู้ว่านี่คือความชั่วยอย่างนี้มันก็กำหนดละไปนี่คือกิเลส ท, ที่ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวอย่างนี้นะออมันก็เพียรละกิเลสอันนั้นไปนี่คือความดีได้แก่ความสงบใจ ความไม่มีกังวลอะไรความเป็นผู้กาหนดรู้เท่าอยู่ในปัจจุบันนี่คือธรรมที่เป็นกุศลก็กาหนดรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมการที่คนเราจะทำใจให้สงบลงเป็นปัจจุบันรักษาความสงบอันเป็นปัจจุบันนี่อยู่ได้ ก็ต้องเป็นผู้มีบุญจึงทำได้นั่นแหละผู้ใดทำได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีกุศลอยู่ในใจเป็นผู้คัดเลือกบาปออกไปแล้วเอาแต่บุญแต่กุศลรวนล้วนไว้ในใจนี่ นี่การภาวนานะให้พึ่งพากันเข้าใจมันเป็นการคัดเลือกสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากดวงกิจนี้เอาแต่สิ่งที่ดีๆไว้ในดวงกิจนี้คนไม่ได้ภาวนาไม่ฝึกใจให้สงบนี่ยอมแยกแยะในระหว่างดีกับชั่วออกจากกันไม่ได้ แยกแยะในระหว่างสุขกับทุกข์ออกจากกันก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนเรามันจึงได้สวยทั้งสุขสวยทั้งทุกข์ครุกเคล้ากันไปเคร้าได้จิตใจสงบก็เป็นสุขสบายไป คราวใดจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปดังนั้นผู้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสรฐแล้วไม่ควรที่จะปล่อยใจของตนให้เป็นไปอย่างนั้น ไม่ควรที่จะปล่อยใจให้รุ่มรุ่มดอนดอนไปอย่างนั้นควรปรับปรุงใจตัวเองให้มันตั้งมั่นแล้วก็รู้เท่าสังขารทำทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไป เมื่อมันไม่รู้เท่าแล้วจิตมันก็วันไหวไปตามอาการที่จิตวันไหวไปนั่นแหละท่าเนเรียกว่าทุกข์ใจมันไม่ไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นหรอกเพราะว่าใจก็ไม่มีรูปร่างอะไรความทุกข์ก็ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่ความรู้สึกสัมผัสในดวงจิตเท่านั้น ส่วนร่างกายนี่มันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรเลยใจต่างหากอันบ่นว่าอยู่นี่นะแต่ใจนี่มันใช้กายแสดงออกมาเมื่อมันเป็นสุขมันก็แสดงออกมาล่าเริงบันเทิงยิ้มเย้มแจ่มใสกับกิริยาของกายนี่นแสดงออกถึงความสุขใจ ถ้าขาวใดมันทุกข์ใจอา้าวมันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจ า, าหน้าเศร้าไม่เบิกบานแล้วกอ็อาการของร่างกายนี่ก็กระวนกระวายการกล่าววาจาอะไรออกมาก็เปล่งแต่วาจาอันเศร้าโศกวาจาอันดืดร้อน ไม่เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานน่าฟังนั่นเรื่องของความทุกข์ทุกใจแต่มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพราะว่าดวงใจนั่นมันไม่มีรูปร่างอะไรที่จะมาแสดงให้เห็นกันดังนั้นจึงต้องอาศัยร่างกายอันนี้แหละแสดงถึงความทุกข์ให้ปรากฏ แต่คนเราผู้ลืมตัวแล้วมันไม่ได้ทบทวนมันไม่ได้แยกแยะดูนั่นแหละถ้ามันแยกแยะดูแล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าใจนี่สงบระ ง, งับลงไปแล้วถึงแม่ร่างกายนี่มันจะแปลป ร, ปรนไปมันก็ไม่มีผู้ รับรู้ความทุกข์เหล่านั้นไม่มีผู้เสียใจดีใจกับอาการแปรปรวนของร่างกายเมื่อจิตมันสงบระ ง, งับมันปล่อยวางความยึดถือลงไปแล้วถึงมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีบบดนี้นะเพราะมันไม่มีผู้รับรู้ มันไม่มีผู้เสียใจเศร้าโศกไปตามร่างกายที่มันแปรปลวนไปนั้นอันที่จิตใจมันไม่สงบไม่ตั้งมัน่นไม่รู้เท่านี่มันมันเมื่อร่างกายแปรปรุนไปจิตนี่ก็แปรไปตามกับร่างกายก็เลยเป็นทุกข์ทั้ง กายเป็นทุกข์ทางใจแบบ น, นี้นะเนี่ยลองสังเกต ด, ดูทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อสังเกต ด, ดูก็รู้ได้ถ้าหากว่าจิตใจยังไม่ตั้งมั่นในเวลาที่ร่างกายมันแปรปลวนไปอย่างนั้นก็แสดงว่าสมาธิก็ยังไม่แน่นแฟ้น ปัญญาก็ยังไม่แหลมคมพอดังนั้นจึงไม่สามารถจะหยุดยั้งจิตนี้ให้สงบอยู่ได้ก็ต้องพยายามเลยวัานี้นะพยายามฝึกฝนจิตนี้ให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปก ว, ว่าเก่าวันนี้นั่นแหละ เมื่อผู้ใดรู้จักสังเกตตัวเองได้มันก็เห็นจุดบกพร่องได้เมื่อมันเห็นจุดบกพร่องตรงไหนมันก็จะทำให้เต็มขึ้นไปถ้าหากว่าไม่รู้จักสังเกตตัวเองเป็นตนบกพร่องอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันเต็มแล้วก็ไม่รู้เส้นนี้นะมันก็ เรียกว่าอยู่ไปตามยถากรรมไม่ใช่อยู่ด้วยสติสมาธิปัญญา <c oughs> ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาอแต่ละวันแต่ละคืนน่ะมันต้องมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่เอมันจึงสงบ ดูได้จิดนี่นะมันจึงเป็นปกติรู้ปกติเห็นสังขารนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงได้ในเช่นนั้นเนี่ยก็มันก็จะรู้ขึ้นมาได้เป็นบางคราวแล้วก็หลงไหลไปเป็นบางครั้งสลับกันไปอยู่อย่างนั้นแหละ ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมดังกล่าวเหล่านี้อยู่ในใจดังนั้นต้องต้องให้มีต้องสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในใจให้ได้ทีแรกนี่มันก็ได้น้อยไปก่อนแหละแต่เมื่อเราทำภายในจิตใจบ่อยๆเข้า มันก็มากขึ้นเองแหละสติอย่างนี้ถ้ามันระลึกเข้าไปหากายหาจิตอันนี้บ่อยๆเข้าสติความระลึกเข้าไปหากายหาใจนี่มันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. เมื่อสตินี่มันแก่กล้าเข้าไปขะเท่าใดความหลงหรือความลืมตัวมันก็น้อยลงก็รักษาสมาธินั้นไวได้ เมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปเท่าไรเมื่อรักษาสมาธิไว้ได้ก็เท่ากับว่ารักษาปัญญาไปพร้อมกันเลยเพราะปัญญาในทางธรรมนี่มันมีสมาธิเป็นมูลฐานเมื่อสมาธิยังไม่เสื่อมตราบได้ปัญญาก็ยังไม่เสื่อมตราบนั้น อุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำบุคคลขุดลงไปจนถึงสายน้ำใหญ่แล้วแม้คนจะตักเอาไว้เท่าไหร่มันก็ออกมาเท่านั้นเนี่ยเพิ่มไว้เรื่อยไม่แห้งแต่ถ้าหากว่าไปเจอสายน้ำน้อยอย่างนี้คนตักเอามากไหลไม่ทันมันก็แห้ง อันนี้ก็เทียบได้กับบุคคลผู้มีสติก็อ่อนแอสมาธิก็อ่อนแอปัญญามันก็เลยอ่อนแอไปตามกัน <c oughs> ให้พากันสันนิษฐานดูให้ดี <c oughs> เมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้เลยว่ามันยังบกพร่องอยู่ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทบนันที <c oughs> พยายามมีความเพียนเพ่งพินิษเรื่อยไปทุกวิญญาบทแหละไม่เฉพาะแต่มันนั่งสมาธินี่นราจึงเพ่งพินิษ ย, ยืนเดินนั่งออนอนเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมีความเพียนเพ่งพินิษเข้าไปในกายในจิตนี่เสมอ มันถึงจะรักษาปกติของความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ไม่ใช่นั้นแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้เมื่อมันคุณธรรมเหล่านี้ไม่สม่ำเสมอแล้วอย่างนี้เมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามา มันถึงรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเลยวันนี้จิตใจก็หวนไว้ไปตามทันทีนั่นแหละคนเรามันถึงได้ทะเลาะวิวาดกันนะพอฝ่ายหนึ่งเผลอกระทบกระทั่งตนมาท่านั้นตนก็เผลอเหมือนกันนะตนก็รวบระวังระงับจิตไรไม่อยู่เลยก็ต้องตอบโต้กันไปทันทีนี่ แต่ถ้าว่าฝ่ายหนึ่งเผลอกระทบกระทั่งตนมาตนเป็นผู้ไม่เผลอรู้เท่าทันมันก็ระงับไปได้เรื่องไม่ดีต่างๆเหล่านั้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่สนซะแล้วมันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ละมันก็ระงับไปดังนั้นจึงปรากฏในตาราว่า พระอริยบุคคลเนี่ยท่านอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่มีเรื่องชั่วร้ายอะไรเกิดขึ้นเลยลองสันนิษฐานดูข้อนี้น่าพเป็นความจริงแหละเพราะว่าท่าน ละความยึดถือในเหตุที่จะก่อให้เกิดทะเลาะวิวาทกันนั้นท่านละหมดแล้วนี่เมื่อท่านละเหตุปัจจัยเหล่านั้นหมดแล้วมันจะเอาอะไรมาทะเลาะวิวาทกันอยู่นั่นนะ่ะแต่คนธรรมดาสามัญ น, นี่มันไม่ได้ละมันยึดถือไว้โดยเฉพาะมันยึดถือว่ามีตัวมีตนนี่แหละ อันนี้แต่มันเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันนะ <c oughs> เมื่อเขาด่ามาก็สำคัญว่าเขาด่าเราอย่างงี้นะสำคัญว่าเขาแล้ววันนี้นะคนคนนั้นนะสำคัญว่าเราแล้วเราเป็นผู้ได้ยินเสียงด่าของเขากับคำด่าว่าเสียดสีต่างๆหมดนั้นนะมันจะไม่สะดุ้งเลยในใจเลยนะ เพราะมันรู้ว่าเขาไม่มีเราไม่มีเนี่ยว่าขันห้าของคนอื่นนั้นก็ไม่ใช่ของเขาไอขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็ไม่ใช่ของเราเอา้าวถ้าไม่ใช่ของเขาแล้วทาไมเขาจึงด่าเรามามพวกเขาไม่รู้นี่ เขายังลากกิเลสประเภทนั้นไม่ได้เขายังไม่รู้แจ้งว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ของเขาดังนั้นเขาจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสก็จึงทาไปพูดไปตามอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนี่ถ้าเขารู้แล้วเขาจะไม่แสดงออกอย่างนั้นเลย เมื่อเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ให้อภัยแก่คนที่ไม่รู้แหละผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ให้อภัยแก่คนที่ไม่รู้ไม่ถือสาคนที่ถือสาหาความกันนั้นแสดงว่าทั้งผู้รับรู้คำด่าว่าเสียสีก็ไม่รู้แจ้งเหมือนกัน อันผู้ด่าว่าเสียสีผู้อื่นก็ไม่รู้แจ้งเหมือนกันดังนั้นมันถึงได้ทะเลาะวิวาัดกันคนเราเนะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษแต่คนที่ด่าว่าติเตียนตนโทษตนเข้าด้วยก็เพราะตนนี้ไม่รู้แจ้งนั่นแหละถึงได้วันไหวเมื่อตนยังไม่รู้แจ้งจะสำคัญว่าตนดีอยู่หรือ ก็ถ้าสาคัญว่าตนดีอยู่นี่มันก็สาคัญผิดไปใช้ไม่ได้แต่ผู้ใดรู้ตัวว่าตนยังไม่รู้แจ้งไงนี้ก็ยอมยอมรับยอมรับว่ายังไม่รู้แจ้งแล้วก็ยอมรับว่ายังหลงไหลอยู่แล้วจะได้พยายาม ปรับปรุงแก้ไขให้มันรู้แจ้งขึ้นมาผู้ที่จะรู้แจ้งได้ก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละเพราะรู้ตัวว่าตนไม่รู้นั่นนะจึงได้พยายามให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นถ้าผูใ้ใดสําคัญว่าตนดีตนรู้อยู่อย่างเนี้มันก็ไม่มีทางที่จะแก้ตัวได้เลยอืมจนเป็นอย่างนั้นคนที่จะแก้ตัวไม่ได้ คนที่จะทําตนให้รู้แจ้งแทงตลอดไม่ได้นะมันก็คาทิฏฐินั่นแหละมันบังไว้ทิฐิเกี่ยวกับความเห็นนั่นนะอความเห็นที่ว่าตนดีอยู่ตนรู้อยู่ตนฉลาดอยู่อย่างนี้นะแตท่ที่แท้แล้วตนไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาด อย่างที่ตนเห็นนั้นนั่นทานจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดไปจากความเป็นจริงดังนั้นจึงไม่ควรประมาทคนเราควรพินิจพิจารณาตัวเองเสมอผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้ว ก็รู้กันได้ตอนที่แสดงออกอะไรแบบนี้นะนั่นนะผู้ใดรู้ว่าตนยังบกพร่องอยู่นี่ก็ไม่ถือตัวผู้นั้นนะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตอนแก่บุคคลที่ควรอ่อนน้อมรู้จักเคารพแก่บุคคลที่ควรเคารพนับถือและก็ไม่แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง แกบุคคลทั่วๆไปผู้นั้นรู้ตัวตื่นตัวแล้วมาดัดจริตนิสัยของตัวเองจากความแข็งกระด้างให้มาเป็นความอ่อนโยนคนใดไม่รู้อย่างว่านี่อย่างบางคนก็นับถือตั้งแต่บุคคลที่ตนเคารพนับถือ ฉะนั้นแหละถ้าคนใดที่ตนไม่เคยเคารพนับถือมาย่อมแสดงอาการกระด้างกระเื่องต่อแม้ว่าคนนั้นจะมีไหววุฒิสูงกว่าตนก็าตามก็ไม่แสดงอาการเคารพอ่อนน้อมนั่นเรียกว่าจิตมันลำเอียงมันก็ยังไม่รู้แจ้งเหมือนกันแบบนั้นนะ เรียกว่ามันยังละส ก, กายทิฐิไม่ได้มันยังมันยังละให้ขาดไปไม่ได้ละได้เป็นบางส่วนบางส่วนมันยังอยู่เป็นอย่างนั้นท่านู้ละส ก, กายธิฐิได้ก็อย่างว่านั่นเลยท่านยอมแสดงอาการ อ่อนน้อมถ่อมตนแก่บุคคลทั่วๆไปไม่มีกระด้างกระเดืองต่อใครเลยเพราะว่าคุณธรรมในใจของท่านนุ่นมันบันดาลให้เป็นไปเนะี่ยความรู้ความเห็นว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไปมัวเมาถือมัน่นไว้ทำไมฮะนี่จะไปกะัะ กระด้างกระเดืองไปทำไ ม, มความรู้ความเห็นภายในใจของพระโสดาบันทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วจึงไม่มีการกระด่างกระเดืองนั่นเองเนี่ก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเอา้าเราก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันนี้ก็จะให้ไปทำเหมือนอย่างพระโสดาบันได้อย่างไร อ้าวก็เมื่อรู้ว่าตนไม่เป็นพระโสดาบันเด้เส้นนี้หากว่าตนยอมเป็นผุุ้ชนอยู่อย่างเนี้ยตนก็จะถูกกิเลสบาปธรรมมันสุดคล้าเอาไปสู่ทุกข์สมควรหรือแบบ น, นี้ก็ถามตัวดูสินั่นเนี่ยก็จะต้องตอบได้ว่าไม่สมควรเลย ถ้าไม่สมควรเช่นนั้นก็ต้องเดินตามรอยของพระโสดาบันซี่นั่นนท่านผู้ที่จะได้เป็นพระโสดาบันนั้นท่านก็จมดัดกายวาจาใจของตนให้อ่อนให้น้อมไปเรื่อยๆไปก่อนแหละน้อมใจของตนลงสู่ศีลสู่ธรรมนี่สำคัญมาก อันบุคคลภายนอกคนอื่นนั้นยกไว้การโน้มสินโน้มทมเข้าไปสู่จิตใจแล้วขจัดสิ่งที่ไม่ใช่สินไม่ใช่ธรรมออกไปจากดวงจิตนี้นี่สำคัญมากอันนี้นะอเ น, นี้ยท่านพู้ฝึกตนให้น้อมสินโน้มทรมน้อ ม, อมความดีต่าง ๆ, งๆเข้าไปไว้ในใจของตนน่ะนะ นั่นแหละผู้นั่นแหละกำลังที่จะฝึกตนให้ได้เป็นพระโสดาบันถ้าผู้ใดไม่อ่อนน้อมท่อมตนไม่น้อมศีล น, น้อมธรรมเข้าไปสู่จิตใจเสมอเสมอไปอย่างว่านี่ไม่มีทางเนี่ยจะได้เป็นพระโสดาบันเพราะว่าเมื่อผู้ใดน้อม สิ่น้อมทําน้อมความดีต่างๆเข้าไว้สู่จิตใจหลักใจมันสงบเรื่องมันนะเมื่อใจนี่มีกุศลความดีเป็นเครื่องอยู่แล้วนะ่ะมันสงบมันเย็นเมื่อใจสงบใจเย็นกันอย่างนี้แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นได้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็อย่างว่ามันจึงมองเห็นขันหานี่ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้มันก็มองเห็นได้ถ้าอบรมปัญญาอันนี้ให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปมันถึงเข้าขั้นแล้วมันก็ละความเห็นผิดที่สำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนนี่ได้ขาดเด็ดไปเลย ความรู้ความเห็นว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราเขามันก็เกิดขึ้นมาแทนแล้ววันนี้เมื่อความรู้ความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยอริยมรรคแล้วก็ไม่มีเสื่อมวันนะี้ไม่มีเสื่อมแล้วมีปกติรู้ปกติเห็นว่าขันห่านี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่อย่างนั้น แต่เมื่อบุญกรรมยังบุญกรรมของเก่านนยังไม่หมดมันก็ต้องอาศัยขันห้านี่เลื่อยไปก่อนถึงแม้จะรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนจะละความเห็นที่ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนได้ก็ตามแต่เมื่อบุญกรรมยังอยู่ก็ต้องอาศัยขันห่านี่ปฏิบัติทำเลื่อยไป เพื่อให้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่พระเรียบุคคลทั้งหลายนะเมื่อท่านได้บรรลุปฐมมรรคอันนี้ได้แล้วท่านจะไม่เกียจคร้านในการทําความดีเลยมนะีแต่ความหมั่นขยันเรื่อยไปเพราะว่าท่านเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้มาก พระโสดาบันทั้งหลายเนี่ย น, นะท่านมองไม่เห็นว่าโรกสันนิวัตอันนี้จักเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินแห่งความสุขสนุกสนานมั่นคงตลอดไปไม่มีมันเป็นสิ่งที่หลอกตาลวงใจให้ติดอยู่ในทุกข์ต่างหากอันสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้เพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านี้นะ พระโสดาบันท่านรู้แจ้งเลยท่านจึงไม่ลืมตัวไม่เพลิดเพลินเกินประมาณไม่มัวเมาเกินประมาณทำอะไรก็พอดีดพอ ด, ดีไปเรื่อยๆพูดอะไรก็พูดพอดีดพอ ด, ดีไม่เกินขอบเขตไม่เลย ขอบเขตแทงศีลธรรมอย่างนี้น่ะจึงเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาดำเนินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมายความว่าพระโสดาบันนั้นท่านท่านเดินถูกทางแล้วท่านไม่ได้เดินผิดทางไม่ได้ออกนอกทางสำหรับคนธรรมดาสามัญ น, นี่บางทีก็เดินถูกทางไป บางทีก็เดินผิดทางไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีความเป็นอยู่รุ่มรุ่มดอนๆอนไม่สม่าเสมอ น, นั่นเนี่ยบางคราวก็ดีชื่นอกชื่นใจใจจิตใจเบิกบานไปเอาบางคราวก็เศร้าหมองใจไปอยู่อย่างนั้น คนธรรมดาสามัญที่ยังไม่รู้แจ้งในขันห้านี่ตามเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีในชีวิตของคนเรานี่ มันยุ่งเหยิงจริงๆไง <c oughs> สารพัสตั้ง่มันจะมีดีก็มีชั่วก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มี <c oughs> อะไรอะไรก็มีอยู่ในนี้เอง <c oughs> ดังนั้นนะ ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงได้พากเพียนพยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะให้ใหบุญกุศลอนั้นยกตนให้พ้นจากคำว่าคนนี้ไปให้ได้เป็นพระริยบุคคล Mm hmm. อริยะเปรว่วผู้ไกลจากค่าศึกคือกิเลส mm hmm. นั่นแหละผู้ใดที่ระกิเลสขาดจากสันดานจะเป็นโดยเอกเทศก็ตามโดยสิ้นเชิงก็ตามท่านก็พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าพระอริยบุคคล mm hmm. นี่เพราะฉะนั้นควรพากันพยายามยกตนออกจากคำว่าคนให้ได้เป็นพระอริยบุคคลจึงจะพ้นจากความยุ่งเหยิงความวุ่นวายในภายในจิตใจนี้ได้ เนื้อความวุ่นวายของร่างกายนี้มันก็จะสั้นเข้าอืเช่นเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ก็จะได้วุ่นวายอยู่เพียงแค่เจ็ดชาติอย่างมากนะอย่างกลางก็สามชาติออย่างน้อยก็หนึ่งชาติเท่านั้นเองแล้วก็จะพ้นจากความวุ่นวาย ความยุ่งเหยิงจากจากความจากการที่มีขันห้าอันนี้นะจะพ้นจากขันห้าอันนี้โดยเด็ดขาดก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงดังแสดงมา